พระไตรปิฎกฉบับประชาชนเล่มที่14ประสูตรที่39อารณะวิพังคสูตรสูตรว่าด้วยการแจกธรรมะที่ไม่มีค่าศึกพระผู้มีพระภาคประทับนเจตะวนารามตรัสแสดงอารณะวิพังคือการแจกธรรมะที่ไม่เป็นค่าศึกมีใจความสำคัญคือไม่พึงประกอบเนืองเนืองซึ่งกรรมสุข และการทรมานตัวให้ลําบากรัตฐาคตตรัสรู้ทางสายกลางที่ไม่อาศัยส่วนสุดทั้งสองอันทําให้เกิดดวงตาเกิดยานเป็นไปเพื่อตรัสรู้และนิพพานพึงรู้การยกย่องการลุกรานแล้วไม่พึงแสดงธรรมยกย่องหรือลุกลานผู้อื่นหรือลุกลานบุคคลไม่พึงกล่าววาจาในที่ลับ คือไม่พูดส่อเสียดไม่พึงกล่าววาจาเลอะเทอะในที่พร้อมหน้าพึงพูดโดยไม่รีบด่วนไม่พึงยึดถือถ้อยคำในพื้นชนบทไม่พึงข้ามบัญญัติทางโลกคือไม่ยึดมั่นถือมั่นโวหารทางโลกแต่ในขณะเดียวกันก็ไม่ขวางโลกโดยไม่ยอมพูดรู้เรื่องกับชาวโลกพร้อมทั้งตรัสอธิบายโดยละเอียดว่าข้อปฏิบัติ หรือธรรมะที่กล่าวมานี้เป็นธรรมะที่ไม่มีค่าศึกตรัสสอนภิกษุทั้งหลายให้รู้จักธรรมะทั้งที่มีค่าศึกและไม่มีค่าศึกและให้ปฏิบัติข้อปฏิบัติที่ไม่มีค่าศึกแล้วตรัสสรรเสริญว่ากุลบุตรชื่อสุภูติเป็นผู้ปฏิบัติข้อปฏิบัติที่ไม่มีค่าศึก พระไตรปิฎกฉบับประชาชนเล่มที่ส4บสพระสูตรที่สี่สเอดสัจจะวิพังคสูตรสูตรว่าด้วยการแจกอริยสัจพระผู้มีพระภาคประทับนภ า, าอิสิปตนมิฆายวันแขวงกรุงพาราณสีตรัสเล่าเรื่องที่ทรงแสดงธรรมจักนภ า, าอิสิปตนมิฆาทยวันแล้วตรัสแนะให้คบพระสารีบุตรและพระโมคคัลลานะ ซึ่งเป็นบัณดิตเป็นผู้อนุเคราะห์เพื่อนพรหมจารีคือเพื่อนผู้ร่วมประพฤติพรหมจรรันทร์หรือเพื่อนภิกษุด้วยกันตรัสเปรียบพระสาวรีบุตรด้วยผู้ให้กำเนิดเปรียบพระโมคลานะด้วยผู้เลี้ยงดูหรือแม่นมพระสาวรีบุตรแนะนำให้ตั้งอยู่ในโสดาปฏิพันพระโมคลานะก็แนะนำให้ตั้งอยู่ในมรรคผลที่สูงสูงขึ้นไป และพระสารีบุตรเป็นผู้อาจอธิบายอาริยสัจสี่โดยพิสดารเมื่อพระผู้มีพระภาคตรัส ด, ดังนี้แล้วก็เสด็จลุกขึ้นเข้าไปสู่พระวิหารพระสารีบุตรก็แสดงธรรมแก่ภิกษุทั้งหลายอธิบายเรื่องอริยสัจว์่โดยพิสดาร